50 languages. 57 f t y s e v e n Aimbatti yedu. Pop, mo. Doctor idattil. Di chan mi n a t gap kun mo. Non indru marthu varai s a n d i k v e n d u m ดิฉันมีนดตอนสิบนาฬิกาปัตตุ ม, นนมันิกก์ยันก์กุมุนพอดีวัยรุ่นรดคุณชื่ออะไรคะอุง่งเกลเปย์เรนนะร์นรุณานั่งรอในห้องได้ยินวิ่งเตะก๊อกคุ้มอะไรเกลวดข้อรบุมคุณหมอกำลังเดินทางมาด็อกเตอร์วันด์กุนดีรุ่งขรอร์ คุณมีประกันกับบริษัทไหนวงกลดเดี้ก็ c o p นิรเวณำเยดุดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมนอนวงกลดก็เย็นนะสบดุคุณมีอาการปวดไหมคะวงกลดก็เยดุมวลี่ยออิริกีระดะเจ็บตรงไหนคะวงลดก็ยงวลี่ิริกีรด ดิฉันปวดหลังเป็นประจำยานักเย็บปูดดมมุดอกวิลีอีริกิรดุดิฉันปวดหัวบ่อยยานัก อ, อดีตคดีตาเลยวิลีอีริกิรดุดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง எனக்கு எ ப บ ப ูปปดดาวดุไวท ற ทร์วิลีอี க ิกิรดุถอดเสื้อออกค่ะ ங ்ง ள ล ம มลสัต்์ைยை எ ட ด த ் த ு வ ิ ட ுง் க ள ்นอนบนเตียงตรวจค่ะปริชิกุ้มเมจีเมลพอดுง் க ள ்ความดันโลหิตปกติุณงัล்ีดต์ต์อรุตัมสัริยา க ์กยีริกิรดัดิฉันจะฉีดยาให้คุณนอนอுงล்ลก ஊ ச ู ம ர ม ந ร த นดோปுดிกิร் ดิฉันจะให้ยาคุณนอนุงกเล็กสิลาม้ตเทไรกันตระกีเริรเรนดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยานอนุงกเลดมมรัน ด, กด์กัดกุโวเรมรันด์ชีตตระกีเริน